บรรยายพระวินัยนักธรรมชั้นตรีมวนที่สิบเอ็ดโดยพระอาจารย์บุญมีจันทูปโมสวัสดีครับท่านเพื่อนสหาานกรณ์ทุกรูกที่ศึกษานักธรรมชั้นตรีวันนี้เราก็มาเรียนนักธรรมชั้นตรีต่อโดยเฉพาะก็คือเรื่องพระวินัยพระวินัยซึ่งเราได้เรียนกันมาแล้วสี่สิขาบทที่สาม ห่ผู้ตะคามาวัตปาริตรีกันทันกีนี้เราก็ศึกษาสิขาบทที่สี่ต่อเป็นลำดับลำดับไปอาสิขาบทที่สี่แห่งูตะคามาวัตนั้นความว่ า, าทิศ เ, เอาเตียงต่างเซ่ก็มอี้ของสองไปตั้งในที่แจ้งแล้วเยื่อเลียไปจากที่นั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแกผู้อื่นก็ดี ตั้งปาจิตตีอ่าข้อนี้อ่าข้อที่เราควรจะกำหนดในสีข่ขาบทนี้ก็คื อ, อลักษณะแห่งอาบัติลักษณะแห่งอาบัตที่จะต้องเกี่ยวกับการที่เอาพวเกเตียงพวกต่างพ ว, งฟ ว, งฟวงกฟูกเก้าอี้ซึ่เป็นของสงเอาไปตั้งไว้ในกลางแจ้งนั้นถ้าเป็นของสงเราเอาไปตั้งเอาไป ใช้ในที่กลางแจง้งเมื่อไม่เก็บเองหรือไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็เป็นวัตถุแห่งป่าจิตตีคือเป็นป่าจิตตีถ้าหากว่าเป็นของอบุคคนคือไม่ใช่เป็นของสงของที่ซื้อรุ่ใดรุ่นหนึ่งหรือของซื้อใดซื้อหนึ่งเอาไปตั้งในกลางแจ้งแล้วรีไปไม่เก็บเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บอันนี้ก็เป็นทุกข์กอดลาเวนของอื่น เพราอื่นก็คือของนอกจากเตียงจากต่างจากเตื้จากเก้าอี้นะซึ่งไ ม, ม่ได้จดไว้ในที่นี้ก็เป็นวัตถุแห่งผู้กดทั้งหมดในสีนค้าเหลา น, นี้ก็มีข้อยกระ้นอยู่คือว่าอเมื่อเรานั่งอยู่ก่อนมีใครมานั่งภายหลังก็เป็นธุระของผู้ที่นั่งทีหลังหรือเกิดเหตุฉุกเฉินไปโดยเดือนไม่อันนี้ก็ไม่เป็นอบัตรนะ หรือว่าเอาของเช่นนั้นออกตากก็ไม่นับว่าเป็นอบัติที่อเอาไปตากก่อนไม่ใช่ไปตั้งกลางแจ้งแล้วก็หนีไปไหนและความหมายของสีกขาบทนี้ก็คือทรงบัญญัติเพื่อจะ ก, กันความสัเข้าและก็เพื่อให้ได้จัดทนัทนถห น, นอมของซงึ่งเป็นของสงเรียกว่าให้รด้จัดใช้ของสง แล้วก็ใช้อย่าทําให้ของส่งต้องสูญหายเสียหายหรือเกิดความชันรุ่นตอนเราไปตั้งไปกลางแจ้งมันก็จะทําให้เสียหายของสงให้ด้่จากการรักษาเองอสี่ขาบทต่อไปก็คือสี่ขาบทที่ห้าความมาพิสูนอนมาพิสูเอาที่นอนของสงแล้ใส่เตนอนในคดีสงแล้วยือลดไปจากที่นั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้สื่ออื่นเก็บก็ดี ไม่นอบหมายแกผู้อื่นก็ดีต้องฝ่าเจตีอันนี้จะเป็นเกีย่ยวข้องกับของสงฆ์เหมือนกันนนั้นในอที่นอนในที่นี้ก็หมายเอาฟืนเสียผ้าปู น, นอนแล้วก็ของชนิดเดียวกันไมไ่หมายเอาเตียงเอาหน้าซึ่งเป็นของใช้ตั้งและหมายเอาแบบฟูกฟกเสือ่อกฟกผ้าปูนอนทั้งหลายอากักกรี ที่ว่าคดีสงหรีอหารนั้นก็ซึ่งในบันี้เราก็เรียกกันว่าคดีคดีดึกคดีกระทนา น, นั้นเป็นของสองเอาไปเตนอนเตือนนอเล่นหรือนอนจิงอะไรก็นั้นแต่ในคดีสงแล้วไม่เก็บเองไม่ใช้คนอื่เก็บประามเมื่อเร า, เอาไปที่อินอ น, น, นี่นี่จึงเป็นปาจิตตีนี่กินยาที่หลุดไปเราก็ต้องดูว่าลุดไปอย่างไรจึงจะเหตนให้ต้องระบด นี่ถ้าวราระหลีไปไม่กลับมไม่กลับถ้าไปยังจะกลับถ้ายังจะกลับก็นับว่าทิ้งของไว้ยังไม่เก็บก็ไม่เป็นอะไรคื อ, เ, อเราไปดินเช้าจะกลับตอนบ่ายยังไม่เก็บอย่างนี้ก็ไม่เป็นอะไรนี่ลักษณะแห่งอบัตในทีนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นกุฎีสงโดยเอาผู้อวสเอา ถ้าไปนอนไปปูในคดีสงแล้วเราไปโดยไม่กลับนั้นเป็นปาจิตีถ้าเป็นคดีของบุคคลคือของอบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สุดใดที่สุดบงสร้างขึ้นจำพวกเป็นที่อยู่ของเขาเ้าเอาไปปูแลยที่ในที่เช็นมันแล้วอ่าไปไม่เหนื่อยไม่ไม่เก็บเองไม่ให้ที่อื่นเก็บก็เป็นทุกฏแต่ถ้าว่าเป็นอในคดีของตนเองอันนี้ไม่เป็นอบัต สีข่ขาบทที่ห้าต่อไปสีข่ขาบทที่หกว่าที่ิสุรู้อยู่กุฏินี้มีผู้อยู่ก่อนแกล้งจะนอนเบียดเมื่อหวังจะให้ผู้อยู่ก่อนข้าแพร่ใจเข้าก็จะหลีไปเองก็ต้องปราจะดีเหมือนกันนะหมายถึงนี้เอในกุฏิหลังนี้มีคนอยู่ก่อนแนะล้วข้ามาคนอยู่ก่อนก็คือพิสุขาแก้งเข้าไปนอนเบียดนอนใกล้ นำขวางเพื่อให้ท่านเกิดคับแค่จิตใจแ้ะท่านก็จะหลีดไปถ้ามีความะสงค์อย่างนี้ก็ในโคนาบัตคือต้องปาชิุติลัษนะแห่งอาบาัตถ้าหากว่าอวิหารหรือเจดียนั้นเป็นของสงศและมีที่สุ้แก่กว่าหรือมีที่สุขให้เข้ามาอยู่ก่อนเข้าไปอยู่แทรกแซงในอุปจารนะคือในที่ใกล้นอแห่งเตียก็ดีแห่งตังก็ดี ทางเข้าทางออกก็ดีอันนี้เป็นป่าจิตตีถ้าหาว่าเป็นในวิหารของบุคคลหรือกุฏิของบุคคลอืน่นซึ่งไม่ใช่เป็นของสงนอกจากของตนเองด้วยก็เป็นทุกก่อนถ้าหาว่าทาในอิจาราแห่งวิหารก็ดีในที่อืน่นอันไม่ใช่ที่อยู่เฉพาะตัวเช่นในเอกสานสาระก็ดีในปรารานที่โคนไมก็ดีในที่แจ้งก็ดีอันนี้ก็ ก็ต้องต้อกดข่าการกระทําอย่างนั้นการกระทำอย่างนั้นก็เป็นอบัติทางนั้นซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่ดีอข้อนี้ก็มีที่เลืกเล้นไม่ต้องอบัตเหมือนได้หรเหมือนกันเช่นอทําในที่อยู่ของตนคือในวิหารของตนไปนอนเช่นนั้นหรือในวิหารของสงหรือมีกิจจาเป็นเช่นมีกิจจาเป็นที่จะต้องเข้าไปอาศัยอไม่เป็นอบัติมีกิจจาเป็นที่จะต้องเข้าไปอาศัยก่อนเช่นอ มีอะไรที่อจําจเป็นจะต้องหลบเข้าไปอยู่ก่อนเช่นฝนตกจะไปที่ไหนก็ไม่ได้ก็จะต้องไปหลบไปเพื่อหลบฝนก่อนอย่างนี้ไม่เป็นไรยกตัวอย่างอาต่อไปคือข้อที่เจ็ดหากพิสูจน์เพื่อพิสูจนอื่นคุณค่าไล่ออกจากคดีสงต้องปาบจิตตีในความิหมายในคีสารบดนี้ก็คือเอ เป็นการติดต่อจากสีขนะส่ขาบทหนึ่งนะสี่ขาบทที่ที่หกติดต่อกันจากสี่ขาบทที่หกเพราะสี่ขาบทนี้ว่าเข้าไปชุดไล่กุฎีไลยที่ที่ดีก่อนจากกุฎีส่งออกไปอันนี้นเข้าไปกครับแค่เข้าไปนั่งไปนอนในขับแค่แต่ว่าสี่ขาบทนี้เข้าไปชุดก็ฉาดเลยทีเดียวดัง น, นั้นถ้าท่านขนโดยขานออกก็เป็นทตัวโกดัเงเพียงแต่ว่าเข้าไปชุดไปชาดไปออกไป เอาไปจากคนรีส่งนี้ท่านรีดเก็บของก็เป็นทุกกดแล้วนะแต่ถ้าท่านออกไปก็เป็นตายชีตีข้อยกเว้นในสิการบุตรนี้ก็คืออถ้าผุ้ปัะชาญาณิอาจารย์ที่จะเอาว่าซึ่งเป็นผู้ปกครองนั้นขับสถิติหาริกอันตัวาสีคผู้ประพฤติไม่ดีไม่ชอบก็ดีนี้ขับพิสุขผู้ไม่สมควรจะให้อยู่ก็ดีจากสำนักต น, นอันนี้ไม่นับเข้าในสิกาบทตนี้คือไม่เป็นอาบัติแล้วท่านมีหน้าที่ในการที่จะ ะนามหรื อ, อ, อขับไล่ที่สูงหหนึ่งหรือสมบูรณทแ้บหนทุกหนึ่งที่ประพฤติไม่ดีไม่ชอบออกจากเอาว่าไปโดยที่เห็นว่าถ้าอยู่ตาก็เป็นโทษหรือเกิด ค, ความเสื่เสียแก่วัดอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ต้หงู่หมายตังการจุบกระชากไล่ออกไปโดยการไม่พอใจยากอะไอย่างหนึง่งต่สีข่ขาบทที่ต่อไปก็คือสีข่ขาบดที่แปด ที่มีนั่งทับก็ดีนอนทับก็ดีบนเตียงก็ดีบนต่างก็ดีอันมีท่าไม่ได้เรียนให้แน่นเส่นเขาวางไว้บนร้านที่เขาเก็บของในกุฏิต้องตาจุติเตียงอมีหลายชนิดนชนิดที่กล่าวถึงเราจะขาบทนี้ก็เขาทํากันด้วยอเอาเท้าเสียบก็ไปนั่งแม่ข้ไม่ไม่เป็นหรัก เ, เรียกทับสาว่าอหาหะจักบาตรร้านในที่นี้ก็คือโครงที่ต้้งขึ้นในวิหารปักเสาต่อหม้อขึ้นแล้วก็วางรอดขึ้นบนนั้นซื้อพอศื้สาวไม่กระทบพื้นถ้าไม่ใช้เตพื้นข้างบนก็เอาเตียงวางลงไปให้พื้นเตียงคามรอดอยู่ขาเตียงให้ลงไปใช้เลยได้ ท่้งข้างบนและทั้งล่างล้างข้างบนนั้นเรีย ก, กันว่าเลหาจา ก, กุดีความัระสงค์ในสุขาแบบนี้ก็คือเส้นบัญญัตินั้นภวะาี่กิสเรื่หนึ่งเราเม้บนเตียงนั้นโดย เ, เท้าเตียงหลุดลง ม, มาถูกศีษะของข้างล่างจึงทรงห้ามไม่ให้หนั่งหรือนอนบนเตียงเช่นนั้นอันอยู่บนร่างล่าง ถ้าอที่นั่งที่นอนแข็งแรงพอนั่งทับนอนทับก็คงไม่เป็นไรแต่นี้ก็อาจจะเป็นอันตรายาาว่าขามันหลุดลงไปถูกคนที่อยู่ข้างล่างได้รับบาดเจ็บนั้นก็จริงได้ห้ามไวแต่สมัยปัจจุบันนี้ก็อไม่มีที่ใดจะต้องทํากันเช่นนั้นล้วนแต่กุฏีแลกุฏิอันเป็นที่อยู่อาศัยมันก็ปัจจุบันก็สร้างกันเป็นอย่างดีอสร้างกันโดยปูสร้างกันโดยอิฐสร้างกันโดยคอกรีบอย่างดี เตียงก็วางไว้ก็คงไม่มีโอกาสที่จะหลดลงมาถูกใครได้เองได้ก็เรียกว่าสีขาวแบบนี้ก็คงจะไม่มีโอกาสจะเรื่องละเมิดได้ในปัจจุบันแต่ก็ไม่แน่ที่ออยู่ในที่กันดามซึ่งอาจจะไม่ํนานาญในการสร้างก็ดีก็าอาจจะทำเช่นนี้บ้างก็มีถึงอย่างไรก็ตามเราก็ต้องศึกษาตามที่มีอยู่ในหลักเกณฑ์ ข, ของนักธรรมชัตตรีก็ต้องศึกษาดูให้เข้าใจตามสมควร ต่อไปสีขส่ข า, บ ท, 9, าบที่เก้าสี่ขาบที่เก้าความว่าพิสุจะเอาลีนลิตบโหลังขาก็าดีเคงโยได้แต่เพียงสามชั้นถ้าโกเกินกว่านั้นต้องป่าจิตตีเพราะลูกหมายของสิข่ขาบทนี้ก็ตามวิธานของเรื่องอที่เป็นต้นเหตุให้บัญญัติสิข่ขาบทนี้ก็คือพลาดฉันะ น, นั้นให้พออให้โมกพิหารที่ทำสำเร็จแล้วบ่อ ย, อยเข้า วิหารหนักทานไม่ไหวก็พังลงท่านจึงเก็บเลือกเรือมย่้าและไม้ได้ยังใเข้าเหนียวของปราณที่หนึ่งให้เสียหายทรงปรารบเรื่องนี้จึงได้ทรงบรรญัติศสิทธบทนี้ไว้แต่ว่าอปัจจุบันก็คงจ ะ, ะไม่มีใครที่จะต้องไปบบกกุฏิอย่างนี้ก็เพราะว่าการก่อสร้างต่างๆในปัจจุบันนี้ก็ มีความรู้มีความชำนาญมีความเข้าใจในการก่อสร้างเป็นช่างอย่างดีพอสมควรอยู่ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรอ่าต่อไประถมบทที่สิบแห่งคือะคาบา ว, ว่าที่ซื้อรูอยู่น้ํามีตรวสัตว์เอาดินหญ้าหรือดินต้องป่าจิตีเอเรู้อยู่อันนี้ชัดเจนเลยเรู้อ ย, ออยอู่ก็คือวีสจิตเป็นสติจตะกามีเจตนาแต่ร้อยู่ลักษณะแห่งน้ําและอมัดในสิ่งคำวันนก็คือว่าน้ํามีตรวสัตว์น้ำหมายเอาน้ํา อเอาน่อยเอาเตอร์สัตว์เล็กๆอันอยู่ในน้ำํำ เ, เช่ น, นเราเรียกกันว่าลูกน้ําซึ่งอาศัยอยู่ในน้าําเขามีคําว่าร้ออยู่อาาันดัดในสิ่งของบนนี้ก็ได้กล่าวแล้วเป็นสิจิต็มกับน้ํามีตัสัตว์ที่สูดสําคัญว่าไม่มีลดลงก็ไม่คือมีตัวสัตว์แต่เัาต้องกาญเราไม่มีก็ลดลงก็เป็นอนันดัดเหมือนกันเพราะว่าไม่มีเราสําคัญก็มีแล้วก็ลดลงแต่หากว่าเอา มีสําคัญว่าไม่ลตลงอันนี้เป็นปาฏิหาริย์ดีมีสําคัญว่ามไม่มีลดลงอันนี้ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเอความสําสคัญผิดดีอย่างหนึ่งพราะสิข า, าไม่เป็นเศกิจอกะซึ่งเจตนาจึงต้องไม่เจตนาก็ไม่ต้องล้วน ส, สิขาบทนี้ก็เป็นอสิขาบทที่อยู่ในภูสขามวอตรเราก็ อ, อทบทวนดูให้พอสมควรเพื่อจะได้สะดวกในการที่เราจะต้องเข้าสู่ สนามหลวงคือการสอบก็กำหนดจดจําเอาในแต่ละข้อแต่ละข้อซึ่งก็เราควรจะต้องอหลักสูตรให้แน่นย้ำจึื่อจะทําให้ไม่เดือดร้อนในภายหลงังและก็ได้รับผลดีเมื่อเราได้อสอบสนามหลวงนั้นทีนี้เราก็ขึ้นวักใหม่คือวักที่สามวักที่สามชื่อว่าโอวาทวักโอวาทวักที่สามนี้ก็ เป็นวาดที่เกี่ยวข้องกับหนังพิษนีทั้งหมดเลยเป็นวาดที่เกี่ยวข้องกับหนังพิษนีฉะนั้นก็เในปัจจุบันจอนไม่มีนางพิษนีก็เราก็ต้องเรียนอยู่เหมือนกันเรียนเพื่อจะได้อความรู้อซึ่งรู้ไว้ใช่บ่าแบกหามนะก็ในในหมวดในวาดนี้ก็จะไม่ซึบโดยรายละเอียดแต่ว่าก็เพียงแต่ท่องเอาไว้โดยอข้อข้อเท่านั้น ส่วนอธิบายต่างๆนั้นก็จะไม่อธิบายเพราะว่าในวักนี้ไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่นะัแกแล้วก็ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่ขาบที่เกี่ยวกับนางพิษณีปัจจุบันก็ไม่มีนางพิษณุมีแต่ก็จะข้ามไปเลยหรือมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล้วก็มาเรียนอยีกสักนิดเดิงอว่ารที่สามีนสี่สิ่ขาบทั้นั้นก็คือหนึ่งพิสุที่สงไม่ได้สมมติสั่งสอนนางพิษณีก็ต้องฝ่ายจิตใ สองแม้พิสุที่สงสมุทรแล้วตั้งแต่อาทิตย์ตกไปแล้วไปสอนนางพิสุลีต้องตายจิตตีสามพิสุเข้าไปสอนนางพิสุลีถึงนางที่อยู่ต้องตายจิตตีเว้นไว้แต่นางพิสุลีเจ็บสี่พิสุเตือนพิสนว่าสอนนางพิสุลีเขาเห็นแก่ลาบต้องตายจิตตีห้าพิสุให้ยีวนแก่นางพิสุลีที่ไม่ใช่ญาติต้องปายจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกัน คนที่สคยยึดยีรของที่เสนีที่ไม่แยกญาติก็ ด, กดีใช้ให้กัอื่นเย็บก็ดีต้องปายจิตตีจเจ็ดที่เคยชวนนางที่เนีเดินทางด้วยกันแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปายจิตตีเล่นไว้แต่ทางเปลี่ยวแปดิี่เคยชนนางที่เสนีเรือลำเดียวกันน้ําอขึ้นน้ําก็ดีล่องน้ําก็ดีต้องปายจิตตีเล่นไว้แต่ข้ามฟ้า หน้าวิบูฉันของเคี้ยวของฉันที่นางพิจิรีบินรับไม่กระหัสเขาถวายอต้องปาจิตติเว้นไว้แต่กระหัสเขาเริ่มไว้ก่อนและสิบวัาทิ่ี่เมื่อก็มีนอนก็ดีในที่รับสองต่อสองกับนางพิจิรีต้องป่าจิตติซึ่งก็มีสิบสิขธาบทอ่าต้องกําหนดจดจําและท่องจําเอาไว้พอสมควรอ่าเพื่อ จะได้ไม่ขันข้องในเมื่อเราเข้าสอบอต่อไปก็ขึ้นวักใหม่เลยเพราะวักนี้เระก็เรียนแบบสั้นๆรอบต่อไปก็เป็นวนักที่สี่คือโภชนวักโภชนวักที่สี่นั้นอก็มีสิทธิค่าบทเหมือนกันก็เรามาท่องอก่อนท่องหัวข้ อ, ขอแต่ละสิทธาบทสิทธิค่าบทก่อนแล้วเราก็เรียน โดยละเอียดในคำอธิบายทำความเข้าใจาโปราจำไว้ที่สิ่นี้ในการบวนั้นก็คือหนึ่งอาหารในเรงทานที่ทั่วไปไม่นิยมบุคคลทิกษู์ไม่เจ็บไข้ฉันได้แต่เฉพาะวันเดียวแล้วต้องหยุดเสียในระหว่างต่อไปอีกจินฉันได้อีกถ้าฉันติดกันตั้งแต่สองวันขึ้นไปก็ต้องป่าจิตติสอง ข้าไทยยกเขาลิลอนออกชื่อโฆษณาทั้งห้าอย่างคือข้าวสุกขนมสุกขนมแห้งตากเนื้ออย่างใดยังเลินถ้าไปรับของนั้นมาหรือฉันของนั้นพร้อมกันตั้งแต่สีเ่เลขึ้นไปต้องตาจิตตีเล่นไว้แต่สมัยคือเป็นไข้ยอย่างหนึง่งหน้าจีวรการอย่างหนึง่งเวลาทำจีวร อ, อย่างหนึง่งเดินทางไกลยอย่างหนึง่งไปทางเรืออย่างหนึง่งมียอดเล่ ก, กันลิขบาทไม่พอฉันอย่างหนึง่ง โภชนะบิณฑของสมณะอย่างหนึ่งสามพิสุรับนิมนต์แห่งหนึ่งเรื่อยโภชนะท่าห้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ไปฉันในที่นิมนต์นั้นไปฉันเสียที่อื่นต้องปตาจิตตีเว้นไว้แต่ยกส่วนที่รับนิมนต์ไว้ก่อนนั้นให้แก่ผิสุกอื่นเสียหรือแม้จวรการและเวลาทําจีวรสี่พิุเข้าไปยืนธดรนบ้านทายก เขาเอาขนมมาถวายเป็นอันมากจะรับได้เป็นอย่างมากเพียงสามบาทเท่านั้นถ้ารับไม่เกินกว่านั้นต้องฝากจิตตีของที่รับมามากเช่นนั้นต้องแบ่งให้ผู้โดยอื่นนะต้องแบ่งให้ผู้โดยอื่นต้องบอกว่าถ้าไม่แบ่งให้ผู้โดยอื่นนี่ก็ต้องต้องทุกขกอนะต้องทุกกนะ์กอดถ้าไม่แบ่งก็ไม่ใช่ต้องไม่แบ่งก็ต้องทุกกอ ถ้าพิสุขฉันค้ายูมีผู้อาโทชนะว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง เ, ออเข้ามาประเคนห้ามเสียแล้วลุกจากที่นั่งนั้นแล้วฉันของอเคียวของฉันซึ่งไม่เป็นเดินของีิสุขไข้หือไม่ได้ทำมิตในกรรมต้องปราจิตตี 6. กิกสุรฤยธิวะพิสุขเอินห้ามเข้าแล้วและคิดจะยก โทษเธอแกล้งเอาของเคี้ยวของฉันที่ไม่เป็นเดินที่สุขให้ไปล่อให้เธอฉันถ้าเธอฉันแล้ต้องปาจิตตีเก็บชื่อฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารในเวลาอีกาญคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่ต้องปาจิตตีแต่ชื่อฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารซึ่งรับประทานไว้ค้างคืนต้องปาจิตตี เก้าพิสู ข, ขอเฟอชนะอันตรงนี้คือข้าวสุกว่าคนด้วยเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำปึง้งน้ำอ้อยปลานม่แย่นมสดนมส้มต่อขณรที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่บรวรุนาเอามาฉันต้องป่าจิตตีและสิบพิสุกลืนกินอาหารที่ไม่มีผู้ให้คือยังไม่รับประเคนให้เลื่องทวารปากเข้าไปต้องป่าจิตตี เอ่อเว้นไว้แต่เอ่อน้ำและก็ไม้สีฝันคือไม้ช่ำระฝันอันนี้ก็สิข้อเอ่อสิขขาหมดเราก็ต้องกำหนดจดจำที่จะกำหนดจดจำได้ก็ต้องอ่อท่องพอสมควรเหมือนกันเพราะหลักไม่ควรจะท่องจะยืนก็ท่องน่ยากนากลอกเป็นภาษาไทยงาที่ภาษาบาลีในพระปฏิโมกเขาก็ยังท่องกันจนจบ และก็สมบกันได้นั้นเราก็ใช้ความพยายามหน่อยในการที่จะท่องอาหาโอกาสเวลาในช่วงที่สงบสเงียบเและก็ท่องก็จะจำได้ไว้จำได้เร็วเสร็เราก็มาศึกษาในรายละเอียดของแต่ละสิขาบทแต่ละสิขาบ ท, ต, าบทต่อไปอสิขาบทในโฟชนาว่า ก็จะรถถึงเรื่องของโภชนะของฉันสมควรที่จะทราบเกี่ยวข้องกับโภชนะกันก่อนอในสี่ขาบทนี้โดยเฉพาะสี่ขาบ ท, ที่หนึ่งนั้นก็เราก็ต้องมาพูดถึงโภชนะก่อนแล้วว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็พูดถึงสี่ขาบททีหนึ่งต่อไปอโภชนะท่านได้จำแนกแจกเอาไว้ถึงห้าอย่างเรียกันว่าโภชนะห้า อที่กล่าวจาแนกไว้เลยไม่ว่าเป็นโภชนะห้าอย่างนั้นก็กล่าวในคำภีธีทางกล่าวไว้ห้าอย่างเครื่องหนึ่งข้าวสุกเมื่อแก่ธรรมชาติทุกชนิดที่หงสุกแล้วเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ก็หงเหมือนกันะหงให้สุขได้สองคิมนาสคือขนมสด่ขนมสดไม่มีอันที่จะเมือเรื่องตามเวลาเช่นขนมเลี่ยงหรือขนมครก การจับตุคือขนมแห้งอันด้วยข้าวเป็นขนมที่ไม่บดง่ายเก็บไว้ได้านานเช่นพวกขนมที่เรียกกันว่าจันอับหรือขนมปังต่างๆซีม า, า, า, าสงเเข้าออเอาพวกหอยกุ้งและประปน้ําเรล่าอื่นที่ใช้เป็นอาหารเข้าด้วยห้าเนื้อก็คือพวกมังสาของสัตว์หรือแต่พวกนกที่ใช้เป็นอาหารตั้งห้าอย่างเพื่อควาโชชนะตั้งห้าเรียกกันจันทนา ข้าสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อจำง่ายๆอาเซียนตอนกลางคืออะไรก็คือข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อย่างนี้ก็ได้อาเซียผลไม้ต่างๆออจะเป็นน้อยต่างชนิดมีเผือกมันเราไม่จินต้นก็อันนี้เรียกมาขาทะเลยะของที่จะต้องขบของที่จะต้องเคี้ยวไม่นับเข้าในโภชนะ อันนี้ไม่นับในข้าวโพชนะน่าจะเป็นของที่ใช้กับรีนมาก่อนแต่ก็จัดเป็นอาหารเหมือนกันแต่ไม่ได้กับโพชนาะนะก็มีโพชนาะว่าโพชมีโพชมียะขาธนิย ะ, ยะโพชมียะไม่แก่อโพชนะตั้งห้าคือข้าสูด ข, ขนมสด ข, ขนมห้ ง, งกลาเนี้อส่วนขาธนิยะไม่แก่ของที่จะต้องขบเคี้ยวพวกผลไมตตต้ต่างๆตลอดต้องเที่ยเปลือกปกมัน เนี่ยเป็นเป็นขาดธนิยะทนี้สิการเดือดพิลิ่งที่ว่าอาหารในรองทามที่น่าทั่วไปไม่ น, นิยมบุคคลที่สุไม่เจ็บไข้ฉันได้เฉพาะวันเดียวแล้วต้องหยุดเสียในระหว่างพอปลายยังจะฉันได้อีกถ้าฉันจะติดกันตั้งแต่สองวันขึ้นไปก็เป็นปาจตีทนี้อาหารในรองทาม น, นั้นหมายความว่ายังไงอาหารในรองทามก็คืออาหารที่มีผู้ เออมีจิตศรัทธาหรือมีจิตเป็นกุศลไม่สร้างโรงฐานขึ้นและก็ไม่เฉพาะบุคคลไม่จะต้องเป็นใครเรียกว่าบริการแจกจ่ายให้เพื่อสื่แก่บุคคลที่เข้ามาโรงฐานนะไม่มีการค้าไม่มีการขายเรียกว่าบริการด้วยจิตเป็นศรัทธาซึ่งในเรื่องราวต่างๆก็ไม่กล่าวจะงเกี่ยวกับโรงฐานนี้มากมายโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาไม่แต่แอเรื่องของประเยซูคริสต์โสดิตฐ์ ก็ได้มีการตั้งโรงทานได้ในที่หลายๆแห่งในสี่แห่งหรื อ, อใน ท, อทอนที่แห่งเพ่วอาทิตย์เหนืออาทิตย์ใต้ทิศตะวันตกตะวันออกไว้ใครมาทางทิศใต้มาเดือดร้อนเข้าไปในโรงทานก็บริการอาหารให้บริโภคในกินกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถาที่มีผู้สร้างขึ้นในครั้สมัยทีุ่ทธกาลก็มีที่มีสถาโดยเฉพาะอย่างลิ่นก็คือทีอ่ อ่ที่เป็นเจตถีมีทราบสมบัติมากเกิดศรัทธาขึ้นก็ตั้งโรงทานในการที่จะให้พามวลิจารทานแก่คนทั่วไปที่นั่นคำว่าโรงทานในชนี้ก็เหมือนกัโรงทานในชนิดก็คือโรงทานที่ทั่วไปไม่เฉพาะว่าจะต้องเป็นไข่ไม่เฉพาะว่าจะต้องเป็นพืชสูงไม่เฉพาะว่าจะต่างๆเป็นคนนั้นคนนี้แต่ทั่วสายไม่จำกัดนะซึ่งเอื่อจะมาตั้งห้ายังมายังหนึ่งเนี่ยที่เขาจัดไว้ไม่เฉพาะบุคคลในโรงทานนั้นนะ เช่นไม่ได้เตรียมไว้ถวายที่สูจย์ชั้นพวเดียวอ่าคนเดินทางหรือคนอดอยากก็อาศัยได้ให้ลงทานเช่นนี้ที่สุไม่รำคาพก็อาจจะออกจากลงทานนั้นไปได้่าให้ฉันได้ในเวลาเดียวถ้าฉันเกินกำหนดนั้นนี่แหละทักษิณภาเกียรติจิตีนะคือให้ฉันได้ในเดียวครั้งเดียวจะฉันต่อสองวันไม่ได้เอ เพราะว่าคนมันมากอะไรจะไปนอนคอยรอฉันมันก็ยังไงอยู่มันดูแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดอยู่ฉะนั้นก็เ อ, อไม่ควรที่จะ อ, อฉันติดต่อกันนะอันนี้ก็มีข้อยกเว้นคือว่า อ, อถ้าเราฉันวันเล่ น, ว, นวันเนี่ก็ไม่เป็นไรเขบาบอกอันนี้ฉันติดต่อกันเ อ, อถ้าฉัน อ, อวันเล่นวั น, วนก็ฉันไม่อีกหรือว่าเจ้า ข, ของของมิมณ์แล้วก็ถวาย อันนี้ก็ฉันได้คือเราไม่ไม่คิดเยอะๆอย่างนั้นแต่เกิดเจ้าภาพัหรือเจ้าของโรงทานเขามีเงินให้เรือยต่ออย่างนี้นก็ได้เหมือนกันมันคอาหารนั้นไม่ได้จ้าให้เป็นทานทั่วไปเ อ, อคือไม่พี่เป็นโรงทานแต่เป็นอาหารที่เขาเ อ, อทําอย่างอืน่นอันนี้นก็มไม่เป็นไรไม่เป็นอัมบัตในสี่ขาบุตรน้มีสี่ขาบุตรนิ่งแห่งเ อ, อโภชนวัตรอาฉานั้นเราก็ เป็นสังสรวมระวังถ้าหากมีที่ไหนก็ต้องโรงลงทามขึ้นมาเราก็เมื่อไปเสียรงทามก็จะไม่ต้องไปฉันซ้ําติดต่อกันถึงสองวันถ้าซ้ำติดต่อกันสองวันก็เอเป็นเหตุให้ต้องอามัดนะคิดสิขาหมดตีเหมือนกันเร่องที่ตามปัจจุบนันก็คิดว่าของไม่มีประกันจะมีต่รานที่จะต้องขายเข้าไปก็ต้องเสียปัจจัย อไม่มีแล้วก็นับเข้าในที่นี้ไม่ได้เพราะในที่นี้เป็นโรงทามทั่วไปแล้ววันนี้ก็เวลเอของเราก็พอสมควรก็จะขอลดและยุติการอาา่อนหรือการพูดถึงวิมัยไว้ก่อนแล้วเราก็จะได้ศึกษาในลําดับต่อๆไปในวันข้างหน้านั้นวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจยมีแด่เพืรรร่อนรท่านทุกท่านที่กําลังศึกษา นักธรมชันนี้อยู่ก็ขอให้มีแต่ความสุขความสบายรารนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความมรุงาการ์ตนาจงทุกประการเอ่ดสวัสดีครับเพื่อนสาธมิกที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นตรีทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาศึกษาต่อในสิขาบทที่สองแห่งโฟชนวัต สิคาหมดที่สองแห่งโภชนวัตนั้นความว่าถ้าทายกเขามานิมนต์ออกชื่อโภชนะทั้งห้าอย่างถ้ารับหรือว่าถ้าไปรับของนั้นมาหรือฉันของนั้นพร้อมการตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปต้องปาจิตตีเป็นไว้แต่สมัยคือเป็นไข่ยอย่างหนึ่งหน้าจีวรการอย่างหนึ่ง เวลาทําจีวร อ, อย่างหนึ่งเดินทางไกลยอย่างหนึ่งคาปทางเรืออย่างหนึ่ง อ, อยู่มากด้วยการบินธบัตไม่พอฉันอย่างหนึ่งโูชนะเป็นของสมณะอย่างหนึ่งทีนี้ออลักษณะแห่งอบัติในในสิกขาบทนี้อ่าท่านถือเอาความว่าที่สุฉันร่วมกันตั้งแต่สีรูปขึ้นไปนแต่ก็ท่านแก้เป็น สองสามลูปฉันด้วยกันนี่หรือบิราบาตรบัตรมาแล้วประชมฉันด้วยกันไม่เป็นบัติน่ะไม่เป็นอบัติทีนี้ที่ว่าเว้นไว้แต่สมัยนะเว้นไว้แต่สมัยในเพราะฉันเป็นหมูอ่อเช่นนั่งล้อมอมโพชนะฉันหรือเรียกกันสั้นว่าฉันข้าวงชื่อว่าฉันเป็นหมู่ อันในวิพังท่านแก่ว่าพิสูตตั้งแต่สี่รูปนิมนต์ด้วยโภชนะห้าอย่างใดอย่างหนึ่งและก็ฉันอันนี้ก็ตัดความสั้นว่ารับนิมนต์ออกชื่อโภชนะแล้วฉันในในั้ชื่อว่าฉันเป็นหมตัวอย่างเช่นเขานิมนต์ฉันขนมเบื้องหรือขนมจีนอย่างนี้ไม่มีสมัยรับแล้วฉันเป็นปาจิตติทุกๆคำ หมายคว่าทมทุกๆคำก็คือทุกๆคำกลือนด้วยเหตุนี้จึงมีธรรมเนียมเออ่ถือกันมาว่าพายกนิมนต์ออกชื่อผชนะจึงไม่รับ อ, อพายกผู้เข้าใจก็จึงนิมนต์แต่เพียงว่านิมนต์รับบิณรบาทหรือนิมนต์รับพิกขาหรือนิมนต์ฉันเช้าฉันเพนเอ่า อ, อย่างนี้ถ้านิมนต์อย่างนี้เราก็จึงแล้ว วันในอันตตากถาถือเอาการรับพร้อมกันในที่แห่งเดียวกันเป็นสำคัญจะชั้นแห่งเดียวหรือจะแยกกันไปนั้นไม่เป็นประมาณอันนี้ในอันตตากถาอาะนั้นผู้ที่เป็นทา ย, ยก อ, าอุบาสกอุบาสิ ก, กามีศรัทธาจะบำเพ็ญกุศลทำบุญอะไรก็แล้วแต่ เ, เมื่อไปนิมนต์พระ มาทําพิธีจเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์ก็ควรจะได้ใช้คําพูดอันนี้ให้มันถูกเรื่องก็คือนิมนต์อ่าเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์ฉันเช่าฉันเพนหรือรับอ่าบุญทบัติอย่างนี้นะไม่ต้องออกชื่อโภชนะทั้งค่าถ้าไปออกชื่อโภชนะทั้งคาเขียนนิมนต์ฉันขนมกีนนิมนต์ฉันแกงไก่หรือนิมนต์ฉัน สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เรียกว่าออกชื่อโพชนะทั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งพลิกสู่รับแล้วไปฉันอฟ้อมการร่วมกันตั้งแต่สีรูปนั้นเป็นอาวบนะเป็นอัอ่บก็ต้องชนดในการนิมนต์พระเออที่นี้ก็ที่กล่าวนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าตลอดไปนะบางอฤดูหรือว่าบางที่ได้อานิสงของการอยู่จำพรรษาหรือว่าได้อานิสง์ของการ รับกระถินก็ออกชื่อได้ในระยะนั้นนอกจากนั้นแล้วก็ออกชื่อไม่ได้ท่านไปฉันร่วมกันตั้งแต่สีรูปก็เป็นอาบัตเว้นไว้แต่สมัยที่ว่าเว้นไว้แต่สมัยก็คื อ, อสมัยที่ส่งอนุญาตาให้ฉันเป็นคณะได้ก็มีอยู่เจ็ดอย่างเช่นเป็นไข้คือคราวอาบาตเนี่ก็ การไปไหนมาไหนลําบากก็จะฉันเป็นคณะก็ได้หรือว่าหน้าจีวรการก็คือคราวที่เป็นฤดูการถวายจีวรเช่นออกพรรษาแล้วก็ตั้งแต่แรมขั้วหนึ่งไปถึงกลางเดือนสิบสองอย่างนี้หรือว่าอได้กลางกระสินแล้วก็จะอะไปถึงกลางเดือนสี่อย่างนี้คิดเรียกว่าอกาลจีวรคือได้อานิสงส์ อ, อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาทําจีวรก็คือเวลาที่สุธรรมจีวรเองในการก่อนพิสุนั้นก็เอทําจีวรตัดเย็บจีวรกันเองทั้งนั้นแต่โดยนี้ก็คงอ่าไม่มีใครทําง่ายๆหรือจะทําบ้างก็ส่วนน้อยที่สุดแหละนะก็อนุญาตให้พิเศษให้ฉันเป็นคณะได้เมื่อทําจีวรรบือรกันเป็นเรื่องใหญ่ของพิสุในสมัยนั้นอ่หรือว่า เวลาเดินทางไกลอันนี้ก็ฉันเป็นคณะได้เพราะการเดินทางไกลนั้นก็ต้องเ อ, อลําบากถ้าจะไปแยกกันฉันอันนั้นก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพต้องเดินทางด้วยกันการเดินทางไกลนั้นท่านกําหนดตั้งแต่กึ่งยดขึ้นไปนละกึ่งยดขึ้นไปก็หมายถึงสองร้อยเส้นขึ้นไปนะเพราะออหนึ่งยอดก็เท่ากับสี่ร้อยเส้นกึ่งโยอดก็สองรอยเส้นหรือไปทางเรือ าทางเรือนี้ก็ไม่กำหนดว่าไกลเท่าไหร่แต่ก็น่าจะ อ, า <c oughs> อนุโลมตามตามที่ไปทางบกคือกึง่งยุทธนี้คราวที่อยู่ด้วยกันมากนี่บิดา บ, บาตไม่พอฉันอันนี้ท่านอนุญาตให้ฉันเป็นคณะได้เมื่อมีใครมาในมนออกชื่ผู้ชนะเพราะอยู่ด้วยกันมากอัตคัดอาหารไม่เตรียมพอก็ฉันเป็นหมู่เป็นคณะได้ หรือในคราวที่เป็นพัดของสมณะหมายถึงว่าสมณะที่สุดด้วยกันมีสทานอันที่จะถวายอาหารอันนี้ก็ฉันเป็นคณะได้เหมือนกันคือประชุมฉันในที่เดียวกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปได้นั้นเมื่อมีสมัยอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งทายกนี่ม้อนออกชื่อโภชนะก็ฉันได้คือฉันเป็นหมู่ได้ไม่เป็นอาบัต สิถาบทนี้ก็เป็นสิขาบทที่เราเได้รับอนิสงเกี่ยวกับตถินหรืออนิสงเกี่ยวกับปัญษาอยู่ในช่วงนั้นเราก็ฉันเป็นคณะได้แต่ถ้านอกจากอนิสงดังกล่าวแล้วก็ฉันเป็นคณะไม่ได้เป็นอาบัติถ้ามีใครออกชื่อมานิมนต์ออกชื่อโฟชนะั้าห้าอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ต่อไปก็เป็นสิขาบทที่ สามข้อสิกขาบทที่สามก็เราได้ศึกษาไปในศิกษาบทอื่นเรื่อยๆซึ่งก็ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดโดยละเอียดนะเพราะว่าไม่มีอะไรที่สำคัญที่จะต้องพูดโดยละเอียดอันนี้ศิกษาบทที่สามว่าฟิกสุรัติมูลแห่งหนึ่งด้วยโภชนะทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ไปฉันในที่นิมน์นั้นไปฉันเสียที่อื่นต้องคาจิตตี เน้นไว้แต่ยกส่วนที่เหลื อ, อยกส่วนนั้นคือส่วนที่รับนิมนต์นั้นไว้ก่อนนั้นให้แก่ภิกษุอื่นเสียหรือหน้ากีวรการหรือเวลาถามกีวรอ อ, อันนี้ก็อวิธีรับนิมนต์นั้นถ้าเขาไม่ได้นิมนต์เฉพาะเจาะจงตัวเองจะต้องการเพียงสว่าภิกษุให้ครบจมนวนเพียงเท่านั้นภิกษุผู้เป็นพตุเทสะ ก, กะคือผู้แจก แต่พัดนั้นเช่นนี้จะให้แก่พิสูุใดก็ได้อยู่แต่ถ้าเขานิมนต์เฉพาะเจาะจงจะให้ผู้อื่นนั้นไม่ชอบเว้นไว้แต่จะตกลงกันเองนี่นิมนต์รับภิกษาที่เรียกกันว่าอารับบิณฑบาตหรือบิณฑบาตไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้อไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้ข้อ น, นี้ก็มีการยกเว้นเหมือนกันที่ว่ายกเว้นแต่ อนมีสมัยเช่นในคราวเป็นไข้ในคราวถวายจีวรในคราวทำจีวร น, นะก็มีการยกเว้นเหมือนกันนะซึ่งข้อนี้ก็เรียกว่าโพชน ะ, ะที่หลังนะชั้นโพชนะที่หลังอย่างนี้ก็เป็นเป็นอบัตนะเป็นอบัตอ่ก็ มีได้รับยกเว้นในในอนิสงค์ของครรษาและก็อนิสงค์ของกรถินเหมือนกันอในสิกขาบทนี้อ่าดูเหมือนจะสิกขาบทนี้ในครั้งสมัยก่อนก็คงจะไม่มีอะไรที่ถือกันมากอคงจะคงจะมีการไม่ถื อ, อไม่ถือกันเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะรับบนไวแห่งหนึ่งแล้วไปชันอีกที่แห่งหนึ่งนั้นเป็นการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ฉะนั้นเมื่อรับนิมนต์ไว้ที่ที่แห่งใดแล้วก็ควรที่จะต้องไปฉันในที่แห่งนั้นก่อนแล้วก็มาฉันในที่อื่นรับนิมนต์ทีหลังอันนี้เป็นสายนะงั้นถ้ารับนิมนต์ไว้ก่อนในที่ใดแล้วไม่ไปฉันในที่นั้นกลับไปฉันในที่อื่นซึ่งนิมนต์ที่หลังอันนี้เป็นปาจิตติแต่ว่าถ้าได้อานิสงส์แห่งการจำปัญษาหรือว่าได้อานิสงส์แห่งการกานกฐินแล้วก็ ก็ได้อันนี้ท่านอนุญาตพิเศษอยู่เหมือนกันในปัจจุบันนี้ก็ได้กล่าวแล้วว่าก็ควรที่จะพิจารณาปฏิบัติตามสมควรที่จะรักษาศรัทธาของผู้มีศรัทธาอย่าให้ศรัทธาตกถ้าในวันแรกเราไม่ไปหรือไปฉันที่หลังเนี่ยเจ้าภาพอ่าก็คงจะรู้สึกอย่างไรอยู่ก็คงจะคิดอีกหลายอย่างฉะนั้นก็ทางที่ดีก็ปฏิบัติให้ดีตามสมควรที่จะต้องรักษาน้ ำ, นำจิตน้ําใจ อักษาสัพทานที่เขามีอย่างไรก็จะเป็นทางดีที่สุดในสิขาบทนี้ในข้อนี้อทีนี้นสิขาบทต่อไปก็คือสิขาบทที่สี่ที่สู่เข้าไปยินถวายในบ้านถ้ายกเขาเอาขนมมาถวายอ่าเป็นอันมากจะรับได้เป็นอย่างมากก็เพียงสามบาทเท่านั้นถ้ารับไม่เกินกว่านั้นต้องปจิบติ ของที่รับมามากเช่นนั้นต้องแบ่งให้พิสษุอื่นขนมที่เราในสีขาบทนี้ก็ทัานกล่าวถึงขนมอยู่สองอย่างก็คือขนมที่ท่านเพ่งเอาของที่เป็นขันมาอย่างหนึ่งเอ่อข้าวสตตุคือท่านเพ่งเอาของที่เป็นเครื่องสบียงเดินทางอย่างหนึ่งเอ่อสตุก็คือขนมแห้งขนมที่สามารถเก็บได้นานเป็นสเบียงในการที่จะนำไปไหนมาไหน เดินทางไกลได้ความมุ่งหมายของสิขาบทนี้ก็คือรับเอาของเหล่านั้นมากไปทำให้ธุระของเขาเสียก็จึงทรงสัตยุญาตให้รับอย่างมากเพียงเต็มสามบาทอย่าให้มากกว่านั้นในถ้ารับมามากก็ต้องแจกต้องแบ่งคนอื่ น, นต้องแจกต้องแบ่งคนอื่นถ้าไม่แจกไม่แบ่งแก่คนอื่น ก็เป็นอาบัตโตกฏเหมือนกันเป็นอาบัตโตกฏนั้นก็บรญญัตในสิ่ขาบที้ก็เพื่อรู้จักประมาณและก็เพื่อจะให้รักษาสกุลไม่ให้มีความสืบหล่อต่อไปสิ่ขาบทที่ห้าําว่าอ่าความว่าพิสูจฉันค้างอยู่มีผู้เอาโพชนะทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาประเคนห้ามเสียแล้วรู้จักที่นั่งนั้นแล้วฉัน ของเคี้ยวของฉันซึ่งไม่เป็นเดนภิกษุข้หรือไม่ได้ทำที่ไหนกรรมต้องปาจิบปีนะอันนี้ความมุ่งหมายในสิขาบทนี้ก็ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาหน้าของถายกที่นำอาหารมาถวายนะก็ให้รับถึงจะฉันได้มากน้อยแค่ไหนก็ให้รับให้ฉันไปเถอะไม่พึงห้ามถ้าห้ามแล้วก็ ก็จึงได้บัญญัติสิกขาบทนี้ไว้ว่าจะฉันอีกต่อไปในวันนั้นไม่ได้เลยมีลักษณะของการห้ามอาหารทั้งแสดงไว้ห้าอย่างคือหนึ่งกำลังฉันกาลังฉันอาหารอยู่สองเขาเอาโฟชนะมาถวายอีกสามเขาอยู่ในหัทธาบาทสี่เขาน้อ ม, อมถวายและห้าพิสษุห้ามเสียพิสูจห้ามเสียอย่างนี้ก็ เป็นอันว่าห้ามอาหารแล้วจะฉันต่อไปในวันนั้นไม่ได้จะมีของดีๆมาถวายจะเป็นผลไม้หรือจะเป็นขนมหรือจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่มาถวายอีก อ, อจะฉันวันฉันไม่ได้ในวันนั้นเพราะห้ามอาหารจะแล้วดังนั้นก็ต้องสำเพืงระวังเหมือนกันเมื่อเราไปฉันที่ไหนหรือฉันอย่างไร อ, อ, อยังไม่ลุกจากที่แล้วก็จะภาพ นำอาหารมาถวายก็ไม่พึงห้ามก็พึงรับแต่ก็จะฉันได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรถือว่ า, าเว้นไว้แต่ของที่เป็นเดนภิสุขใของเป็นเดนนั้นมีอยู่สองอย่างนะคือเดนภิสุขใ้ที่ภิสุขใฉันเหลือเรียกกันว่าเดนภิสุขใ้อย่างหนึ่งหรือของที่พิสุทําทำให้เป็นเดนอะโพชนะชนิดหลังนี้ก็เป็น เป็นกัปปิยะที่ควรฉันได้คือเดนพิสุอื่นด้วยการทำให้เป็นเดนหรือว่าทำด้วยในกรรมการทำด้วยในกรรมนั้นก็คือพิสุรับประเคนแล้วฉันบ้างแล้วยังไม่ลูกจากอาสนะยกขึ้นทรงให้แกพิสุผู้ที่ห้ามอาหารในหัตตบานั้นบอกว่าพอแล้วเพราะเป็นของแส่งธรรมดังนี้ท่านจึงเรียกว่าของทําวยในกรรมเ คือจะฉันได้ก็ต้องต้องเป็นของเด่นพิสุขให้หนึ่งพูดง่ายๆหรือไม่ใช่เด่นพิสุขให้แต่ต้องทําวินัยกรรมหมายความว่าให้พิสุกอื่นที่ไม่ได้ห้ามอาหารนั้นมากระทําการฉันก่อนแล้วจึงได้ให้ยกส่วนที่เหลือฉันเพราะเป็นพิธีก่อนได้ยกส่วนที่เหลือว่าพอแล้วเอาท่านเอาไปฉันอย่างนี้เรียกว่าทำวินัยกรรมนะฉันได้ต่อในวันนั้นไม่เป็นอาบาัต ทำให้ฉาาันได้ต่อไม่เป็นอาบัตในวันนั้นก็หมายถึงตั้งแต่เช้าชั่วเที่ยงนะไม่ใช่หมายถึงเที่ยงไปแล้วนีน่ลักษณะของอาบัตในที่นี้พิสุลเมิดในขณะรับในต้องทุกกฎนะขนาดกลืนต้องกว่าจุติส่วนของอื่นที่ไม่ได้ใช้เป็นอาหารไม่นับเข้าในสิขาบทนี้ อ, อสิขาบทต่อไปก็คือสิขาบทที่หกเพรามว่าพิสุรู้อยู่ ผิกสู่อื่นห้ามเข้าแล้วตามสิขาบทเอที่กล่าวมาคิดจะยกโทษเธอแกล้งเอาของเที่ยวของฉันที่ไม่เป็นเด่นที่สุขให้ไปลอกให้เธอฉันถ้าเธอฉันต้องป่าจิตตีอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากในข้อนี้ก็เพื่อจะห้ามไม่ให้ที่สุผู้มีเจตนาไม่ดีแกล้งหลอกให้ส้ำคันผิดนั้นสิขาบทนี้ก็ เป็นการป้องกันไม่ให้พิสูจนใดพิสูจนหนึ่งที่ไปแกล้งทำแก็บพิสูจนผู้ห้ามอาหารนะก็ไม่มีอะไรมากต่อไปสิขาบทที่เจ็ดพิสูจนฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่ต้องป่าจิตตีอันนี้หมายถึงเวลาวิกาแลแ้่เวลาวิการที่ว่าตั้งแต่เที่ยงแล้วจนถึงวัน วันใหม่คือตั้งแต่ไปถึงอารุณขึ้นวันใหม่นะนี่เราเราต้องจับความตรงนี้คือเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วก็ตั้งแต่สิบสองนฬิกาตอนเที่ยงเนี่ยจนไปถึงอารุณ์ขึ้นวันใหม่วันใหม่นั้นไม่กำหนดนาฬิกาแต่กำหนดอารุณ์เป็นเกณฑ์ได้อารุณนะอารุณ์ขึ้นวันใหม่อารุณนั้นก็เป็นอารุณ์ที่สามารถมองเห็นาลายในมือในฝ่ามือได้ ชัดเจนพอสมควรหรือว่ามองเห็นใบไม้ต่างๆที่สามารถรู้ว่ามาต้นไม้อะไรใบไม้อะไรขนาดนั้นแหละจึงชื่อว่าอารุณ์ขึ้นบันใหม่ใช้ได้ไม่ใช่ว่าเพียงไปมองเห็นนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นอารุณ์ขึ้นบันใหม่นั้นอาบางท่านก็ไปถือเอ า, เอานาฬิกาตีสี่ตีห้าหรือเห็นความสว่างนิดหน่อยซึ่งเป็นความสว่างของไฟฟ้าบ้างอะไรบ้าง ก็มักจะออกไปบินธบาตอ่าไปบินธบาติเวลามืดๆในเวลาพรรษาเนี่ยถ้าเย็นเมื่อเข้าพรรษาแล้วก็เราจะต้องรักษาอารุณในในเขตอาวาสหรือเขตาวาดัดอ่าเข้ามารักษาอารุณคือให้อารุณมันขึ้นก่อนให้มันสว่างพอสมควรจึงจะออกไปข้างนอกได้ไปรับบินธบาติหรือไปไหนก็แล้วแต่แต่ก็มีบางท่านจะออกไปแต่มืดที่ยังไม่สว่างก็มีจนเ อ, อ่อมีบางคนเอาไปพูด เอาไปพูดในลักษณะที่เสียหายอบอกว่าท่านไปบิณฑบาตยังไงในรรษาท่านออกมาไม่ราษาไม่ขาดหรื อ, อแล้วก็ยังได้ต่อว่าภรษากินได้เสมอารอะไรสําโองนี้ซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่ดีนักก็ต้องควรจะรักษ า, าพราะวินัยให้เป็นไปโดยทางที่ถูกต้องก็จะเป็นการรักษาพระศาสนาไปด้วยหน้าการฉันอาหารก็เหมือนกันจะต้องดู ว่าได้อารมณ์ขึ้นวันใหม่หรื อ, อยังจึงจะบริโภคอาหารได้และก็เมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเที่ยงไปแล้วเนี่ยก็มีบางคนมักจะพูดกันว่าอาจะเที่ยงสิบห้านาทีเที่ยงยี่สิบนาทีหรือเที่ยงสามสิบก็ได้แต่ฉันติดต่อกันไปเลยนี่บางคนก็มักจะพูดกันอย่างนั้นแต่ว่าที่พูดอย่างนั้นเอามาจากไหนก็ยังค้นไม่พบเหมือนกันทั้งในอัตถกาถาและทั้งในวินัยมุกนั่งทำเช้นตีก็ยังไม่ปรากฏบอกได้ว่าเที่ยงเลยไป ก็ถือเป็นเวลาวิกาลอันนี้เราก็ต้องเอาเวลานี้เป็นเกณฑ์มาเที่ยงแล้วไปเมื่อถึงเที่ยงแล้วก็เอ่อเราก็ถือว่าเป็นเวลาวิกาลแล้วนะหรือจะเอา อ, อเวลานั้นจะถือเวลาที่ไหนเป็นเกณฑ์อันนี้ก็ต้องถึงเอาเวลาของแต่ละประเทศแต่จะถือเอาเวลาอินเดียก็ก็คงไม่ได้หละเพราะว่าถ้าเอาเวลาอินเดียแล้วถ้าเอาเวลาอินเดียเน Speaker เกิดประเทศอื่ น, นมันก็มือดอย่างเงี้ยก็ไปฉันในที่มืดมันก็ไม่ก่อไม่ก่อเรื่องเห này. มือนกัน อ๋อก็เอาเวลาในประเทศนั้นนั้นเป็นเกณฑ์ในการที่จะต้องรักษาในการฉันอาหารให้ถูกเรื่องตามสมควรนั้นถ้าหากพับพิสุฉันอาหาราในเวลาที่เลยเที่ยงไปเนี่ยนะก็เป็นปาจิตตีแม้จะอาบัติไม่มากนะักแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะละเมิดนะไม่ควรที่จะละเมิดนะในในเรื่องนี้ทีนี้ ต่อไปก็สิขาบทที่แปดสิขาบทที่แปดว่าพิสุฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารซึ่งรับประเคนไว้ค้างคืนต้องป่าจิตตินี่อาหารที่เป็นสันนิทิหมายถึงอาหารยังไงอาหารที่เป็นสันนิทินี่เรียกสัพท์มาคดว่าสันนิธิของที่สะสมคือของเคี้ยวของฉันอันรับประเคนไปแล้ว กลาวก็คือถึงมือแล้วในวันนั้นเก็บไว้ล่วงคืนเพื่อจะฉันในวันรุ่งขึ้นชื่อกันว่าเป็นสันนิธิคือฉันของนั้นเป็นปากิตตีท่านปรับทุกๆคํากลืนนะสิขาบทนี้ฉะนั้นก็เมื่อรับประเคนไปแล้วก็ต้องต้องฉันเฉพาะในวันนั้นเมื่อไม่ฉันนะในวันนั้นเลยเวลาเที่ยงไปแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้ เราให้บุคคลอื่นเข้าไปบุคคลอื่นเข้าไปก็ให้อานุปัตยธรมบันธรรมเณรธรรเนรจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนจะเอามาถวายอีกก็เป็นเรื่องของก็ธรรมเนรแต่ว่าพิกสุจะเก็บสะสมเอาไว้เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นนั้นอไม่ได้นะฉันในวันรุ่งขึ้นนั้นไม่ได้เป็นการผิดเอเพระวินัยในสิขาบทนี้นเรียกว่าเป็นสันนที่เก็บสะสมไว้ฉันในวันรุ่งขึ้นไม่ได้ต่อไปสิขาบทที่เก้า อัศขามบทที่เก้าความว่าพิสษุไม่ไม่ใช่ผู้อ า, าพาธขอโภชนะอันตรีคือ ข, ข้าวสุกละคนด้วยเนยใสเนยน้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มต่อครหัสที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรวรณาเอามาฉันต้องปาจิตติเอามาฉันต้องปาจิตนะาาติตนี้อาการข อ, อที่ไม่เป็นอบัตณนั้นมีอยู่เหมือนกัน นะเช่นหนึ่งอาพาธเว้นของเ ห, เหล่านั้นไม่ได้คือไม่เกิดผาสุขขอเขาได้หมายความว่าในขณะที่ป่วยเจ็บไข้ในป่วยไม่สบายจะเป็นไข้หวัดหรือจะเป็นการป่วยอย่างอื่นก็ตามก็ข อ, อ, อโภชนะอันตนรีบจากผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ะวารณาได้อยู่เหมือนกันนะหรือราการที่สองเมื่อพิสุอาพาธขอมาเพื่อประโยชน์ตน พิสูจน์ไม่ใช่ผู้อ า, าพาธปลอยฉันด้วยก็ได้ก็หมายว่าพิสูุน์อาพาธขอมาอเพื่อตนในการที่จะยังชีวิตในเป็นไปได้ตามสมควรในล่าวภาธแต่พิสูจน์อื่นพลอยฉันด้วยอันนี้ก็ไม่เป็นอบัติเหมือนกันนะพิสูจไม่ใช่ผู้อาพาธหรอกแต่ว่าขอต่อญาตดหรือขอต่อกลบนาราเพื่อประโยชน์ตนเองได้ก็หมายว่าขอต่อญาดของเราขอตขอ่อกลบวานาไว้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นอบัตินะถึงเราไม่ป่วยก็ขอได้ หรือวาขอต่อคนอื่นเพื่อประโยชน์แก่พิสูนผู้อาพาธได้ไหมว่าเราขอพเอพื่อพิสูจนผู้อาพาธนี่พิสูุรูปหนึ่งอาพาธจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นพิสูจนรูปใดรูปหนึ่ง mm hmm. เห็นว่าท่านไม่สบาย mm hmm. ก็ไปขออาหารจากคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ให้บวรณา mm hmm. ให้นำมาถวายพระอาพาธอย่างนี้ไม่เป็นอบับดับนะขอได้นั่นจะข้าบทที่เก้า นี่ก็ซึ่งจําว่าอาโฟชนาอันประนีดนั้นคืออะไรนี่เป็นข้อสําคัญนะนะโฟชนาอันประนีดนั้นนะอันนี้เราจะต้องท่องให้ขึ้นใจเลยนะก็ได้แก่พวกเอข้าวสุกนะละคนได้ว ย, ย, ย น, น้ำใสในก้นน้ํามันน้ําฟุ้งน้ํำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมสม้มเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นโฟชนาอันประนีต่างจากโฟชนาห้าโฟชนาห้านั้นก็มีเอ่อข้าวสุก ข, ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อนี่โฟชนาตั้งห้า ส่วนโฟชนะอันปร น, นัตรหมายถึงประนีตยิ่งขึ้นระขนด้วยปะปนกันกับสิ่งทั้งหลายมีถึงหลายอย่างด้วยกันอันนี้ก็เพิ่งแยกออกมานะโฟชนะอันตรนิตรนี่อยู่ในสิกขาบทที่เก้าแห่งโฟชนาวัตนั้นเราก็ต้องดูในโฟชนาวัคให้แม่นแม่ท่องให้ได้เลยในโฟชนะอันปรนิตรนี้ก็ เ, เป็นข้อสำคัญที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจ ในข้อโฟชนะอันประนีดนี้อาสวนต่อไปก็เป็นสิกขาบทที่สิบซึ่งเป็นสิกขาบทข้อสุดท้ายในในโฟชนวะว่วาที่สุกืนกินอาหารที่ยังไม่มีผู้ให้คือยังไม่รับประเคนให้ล่วงทวานปากเข้าไปต้องปาจิตติเล่นไว้แต่น้ำและก็ไม้สีฝันแล้วก็ความที่ควรกำหนดในสิกขาบทนี้ก็คืออาหาร อาหารนั้นหมายเอาของที่จะพึงกลืนกินเข้าไปนะพึงกลืนกินเข้าไปก็อถ้าน้ําโดยปกติไม่ใช่อาหารที่เป็นของเหลวเช่นน้ําแกงหรือน้ําอ้อยน้ําตัวไปนี้ไม่ไม่จัดเข้าในอันนี้นะไม้สํชนบฟันก็ไม้ชนะฟันเลยก็เพิ่งเข้าใจว่าไม่ใช่ของที่จะพึงกลืนกินเนี่ฉะนั้นมันก็จะเป็นอาหารจะเป็นโภชนะหรือจะเป็น ขาธนิยะของเขียวต่างๆนี้ก็จะต้องอรับประเคหนซะก่อ น, นรับประเคจากผู้ใดผู้หนึ่งก่อนจึงจะฉันได้นั้นถ้าหาว่าไม่รับประเคนี้ก็เป็นปัญหาจะเป็นเหตุให้ต้องอบัดได้อของที่จะปรุงกลนปรุนงรนให้ร่วงลำคอไปนี่ท่านเรียกว่ากาลิกนะเพราะเป็นของที่มีกำหนดให้ใช้ได้ชั่วคราว ฉันจำแนกออกเป็นสี่ของที่ให้บริโภคได้ชั่วคราวตั้งแต่เช้าอจนถึงเที่ยงวันเรียกว่ายาวกาลิของที่ให้บริโภคได้ชั่วคราวคือวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเรียกว่ายามากาลิของที่ให้บริโภคได้ชั่วคราวเจดวันเรียกว่าสัตตะห์กาลิของที่ให้บริโภคได้เสมอไปไม่มีจำกัดการคือตลอดชีวิตเรียกว่ายาวชีวิคนนี้เป็นเป็นของที่จะปรุงปลืนให้ลูกลําคองเข้าไป นีิการประเคนนั้นก็ต้องประเคนให้ถูกเรื่องนะก็ต้องศึกษาองค์ประเคนองค์ประเคนนี้สําคัญมากชาวพุทธเราก็มักจะประเคนไม่ก็จะเป็นประเคนพระไม่ก็จะถูกเจริญกรอบก็ต้องรู้ศึกษาให้เข้าใจในการประเคนต้องให้ครบองค์ประเคนนะองค์ของการประเคนนี้ท่านแสดงไว้ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งของนั้นไม่ใหญ่ไม่โตหรือหนักเกินไปพรอคนปานกลางยกได้คนเดียว สองผู ane, ้ประเคนเข้ามาอยู่ในหัตถบาที้หัตถบาทก็คือในบ่วงมือนะหัตถะนี้ก็แปลว่ามืออยู mm ่ในบ่วงมือไม่ไกลสามเขาน้องเข้ามาสี่กิริยาที่น้องเข้ามาให้นั้นด้วยกายก็ได้ด้วยของเนืองด้วยกายก็ได้ด้วยโยนให้ก็ได้ห้าพิสุรับด้วยกายก็ได้ด้วยของเนืองด้วยกายก็ได้นี่เป็นลักษณะของการประเคนงนั้นการประเคนนี้ต้องไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่โตต้นต้องหามมา หรือว่าคนเดียวยกได้คนเดียวก็หมายถึงคนที่พบคนปานกลางปานกลางยกได้คนเดียวขึ้นมาลองยกให้พ้นพื้นด้วยยกด้วยอาการที่เคารพแล้วก็อยู่ไม่ใกล้ๆน้อมเข้ามาจะเป็นของเรื่องเบืกายหรือว่าเป็นกายก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายก็รับด้วยกายต่อกายได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็รับด้วยของเรื่องเบืกายของเรื่องเบืกาย น, นี่เป็นเป็นลักษณะองค์แห่งการประเคน นี้ลักษณะแห่งอาบัตในสิขาบทนี้เป็นอาจิตตะกาเหมือนกันพิสูจน์บใหม่เนี่ยเผล่อฉั้นของที่ไม่รับประเคงก็คงไม่เป็นอาบัตตายจนตีแต่ว่าในข้อนี้ก็มียกเว้นอยู่ก็เมือเ่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเช่นพิสูจถูกงู ก, กัดปริยาการะรักไม่มีก็คือ ผ, ผู้ที่จะถวายผู้ที่จะประเคงไม่มีก็ให้ถือเอายามหาวิกฤตสี่อย่างคือมูดคู่เท่าดินฉันได้ไม่เป็นอาบัติ นะในอันธกถาท่านยังกล่าวว่าพิสุจะตัดไม้เผาทาเท่าหรือจะขุดดินจะเอาดินก็ได้ไม่เป็นปชาชิตีเพราะโทษในการตัดไม้และขุดดินถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นลูกกัดดังที่กล่าวมือกูดเท่าดินฉันได้เลยไม่ต้องรับประเขนก็ได้นะส่วนน้ํากับไม้สีฟันนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องประเขนตลอดไปเว้นแต่น้ํานั้นเป็นน้ําอื่นเช่นน้ําปลานี่ต้องประเขนนะ น้ำที่มีสีต่างๆก็ต้องประเขนถ้าเป็นน้ำบริสุทธิ์น้ำสะอาดแล้วก็ไม่ต้องประเขนก็ได้อันนี้ไม่มีโทษนะและวันนี้ก็พอสมควรเราก็เรียนในโพชนวั่าครบทั้งสิบสิกขาบทแล้วก็คิดว่าคงจะพอเข้าใจสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธมิกทุ ก, ท ก, ทกรูป